ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการธรรมะเดลิเวอรนะครับผมจตพลชมพนิตย์และพระมหาสมพรตาลปุตโตนอสการครับท่านครับเจริญพรพร้อมแล้วจะส่งธรรมะถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้16เมษายนครับวันชดเชยวันสงกรานต์ซึ่งเพิ่งผ่าน14เมษายนซึ่เป็นวันครอบครัวมาไม่กี่วันนี้เองนะครับเป็นไงครับมีความสุขกับครอบครัวดีอยู่นะครับพระอาจารย์ครับเจริญพรในวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะที่ไหนนะครับวิทย์ ททยาลัยพนักเทศการเชตุพน์ซึ่งไปบรรยายสอนกันมา3ปีแล้วขอขอมอบโลให้ด้วยครับไปบ่อยมากวิทยาลัยพนัการเชตุพน์ดีนั้นโหทีนั้นก็เด็กๆนะวัยรุ่นนั้นเลยสิครับท่านเป็นมอแล้วจะมีวิธีบรรยายไงให้วัยรุ่นชอบอะครับจริงๆถนัดเลยครบถ้าวัยรุ่นเนี่ยก็จะเอาเรื่องใกล้ตัวเขาก่อนอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่เขาจะ มผัดแต่พอวัยรุ่นเนี่ยเขาจะรับอะไรที่เขาความผัดได้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกเปิดใจเขาก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวให้เขาสนุกก่อนแล้วเขาก็จะเปิดใจรับธรรมเขาไปอ๋ออย่างเช่นเรื่องสนุกสูกเช่น ฟังธรรมะฟังแล้วจะไม่โง่อแต่ถ้าไปฟังโปเตโตอรักแท้ดูแลไม่ได้โอ้ล่ะฮะฟังธรรมะแล้วจะไม่หดหูแต่ถ้าไปฟังโซครูก็จะเจ้แต่ซ่าป้อยฟังธรรมะแล้วจะไม่ตะเลิดแล้วครับถ้าไปฟังพี่เบิร์ตแล้วจะมาเถียงกันทําไมโอ้แหมมาเป็นชุดเลยอย่างงี้วัยรุ่นชอบแน่นอนครับเจริญพรองถูกใจเขาอยู่แล้วก็เราจะเติมอะไรใหม่ๆเข้าไปมีเพลงใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆคร ศิลปินเพลงใหม่ๆี่มีตลอตกอยุบบางเพลงนีเด็กยังงงเลยว่าเราทำไมฟังแต่เขายังไม่ได้ฟังเลยงั้ น, นเราก็จะเติมอะไรใหม่ๆยังมีอีกเพียบเล ย, ยโอ้โ ห, ง, โโหงี่น่าสนใจแล้วครับคุณผู้ชมครับเราลองไปฟังกันเดี๋ยไหมครับธรรมะวันนี้จะสนุกกันขนาดไหนเช่นครับ มาสัพ่พระเจ้า mm hmm. ขอโอกาสพระวิทยากรเจะเดินผ่อนชนะครูอาจารย์และสวัสดีนักเรียนที่กําลังจะน่ารักทุกคนสวัสดีครับไหนวันนี้ใครถูกบังคับมานั่งฟังพระยกมือขึ้นคนเราถ้าถูกมา น, นั่งฟังพระตรงนี้มีความสุขไหมไม่มีความสุขสามชั่วโมงเหมือนสาปีเลยนะครับแน่นอนเจอพระอาจารย์สวดฟังต้องได้ฟังอะไรนะครับฟังธรรมะก็พอแล้วเป็นโลโก้ประจําตัวเราเป็นสัญลักษณ์เลย เขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าไปฟังโปรเตสเตอร์รักแท้ดูแลไม่ได้นะครับเขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่ติดแชทแต่ถ้าไปฟังวงแคกจะมีมือที่ไร้ไออุนนะครับ oh. ฟังธรรมะแล้วจะไม่เจ็บออดออแอดแอดแต่ถ้าไปฟังบิ๊กแอดก็จะเป็นคนที่หลงทางนะครับ oh. ฟังธรรมะแล้วจะไม่ช้ำชอกแต่ถ้าไปฟังพาราดอกอ่างหางำคําโลกลูก <laughs> <laughs> เพลงอะไรดีละเกิน ฟังธรรมะแล้วไม่บ้าบินแต่ถ้าไปฟังเอนโดรฟินเมื่อเขามาฉันจะไปฟังธรรมะแล้วจิตใจจะเจริญรา่าแต่ถ้าไปฟังกลาใช่ชั้นหรือเปล่าอาจารย์น้อยใจอีกแล้วทุกทีเลยมีแต่เพลงไวรุนฟังธรรมะแล้วจะไม่เปลืองแรงแต่ถ้าไปฟังพรสักสองแสงจะเปลืองแรงเพราะมีเมียเด็กเล่นะเก่าเลยไม่น่าเชื่อว่าพรสักยังแรงอยู่ ฟังธรรมะเราจะไม่เป็นเปรตแต่ถ้าไปฟังพุณดเบสอยู่ในปาร์ตี้รอย่างกระเพเออเลย <laughs> ฟังธรรมะเราจะไม่อึดอัดแต่ถ้าไปฟังตุ้ยสกุบัต อ, อกหักไหมว่าความสุขอยู่ไกลตัวเราไหมครับมีโอกาสไปบรรยายกับนายแพทย์สุกมลมานะครับตอนนี้ซีบึ้งกันเลยสระนีตกันเลยเป็นนาย <c oughs> นนแพทย์ที่ค่อนข้างจะพูดเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องของชีวิตเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันหน่อยครับว่าความสุขเราจะมีได้อย่างไรวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ กับพวกเราแต่แปลงนะครับมหาวิทยาลัยอื่นโรงเรียนอื่นเขาจะนั่งสลับกันนะหล่อขิเลสวยขิเลหล่อขิเลสวยขีเลมาเชตุพนครั้งใดครั้งใดไม่เคยสลับเลยขีเลขี้เลขี้เลขี้เลเลียงกันเป็นตับเลยเรียงกันเป็นอวัยวะภายในเลยอ่ะเรามาดูก่อนครับเนี่ยเป็นพันธมิตรกันตอนนี้นายแพทย์สุขมลสุขใจด้วยวิถีไทยสิ่งที่อยู่ใกล้ลูกตามากที่สุดเราจะมองไม่เห็น อะไรอยู่ใกล้าตาแล้วเรามองไม่เห็นปิดตาขนตามองเห็นไหม เ, เห็นเห็นเหรอหมายถึงของตัวเองขนคิ้วมองเห็นไหมไม่เห็นครับหลายสิ่งที่เรามองเห็นแต่ไม่รู้ความหมายอ่ะเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับอ่ะสี่สามสองหนึ่งปิดกลมอะไรกลมอะไรเราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความกลม โอ้ยปลุกมันด้กันกับเพื่อนนะครับยอดเยี่ยมมากเลย อ, อยู่ครอบครัวใหญ่นี่เราเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับเพื่อนเป็นครอบครัวใหญ่เราต้องมีความกลมอ้าวเห็นอะไรครับถ้าเป็นเด็กอนุบาลเห็นอะไรเห็นขวดครับไม่ใช่ลูกอะไรอยู่บนขวดอ๋อฝาจุกขวดครับเห็นอะไรลูกอ้าเห็นอะไรก็ตอบมาเลยไม่ต้องกลัวเสียความขอย้ํานะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เป็นของนายแพทย์สุขมน์นะครับเป็นของผู้อาวุโส ยืมกันมาใชา้เห็นอะไรครับผู้ชายกอดผู้หญิงเห็นอะไรอีกปลาโลมาบางคนยังงงโลมาตรงไหนปลาโลมากี่ตัวครับ <3 S 1> 9 9ตัวไหนบ้างนี่ตัวที่หนึ่งครับหนึ่งับพร้อมกัน2 3 4 5 6สอหายไหนท้องอยู่นี่ครับมันไหว้พ า, ากันเชียงอยู่อ่าออาบ เจดแปดแล้วก็เก้าตัวเล็กๆถ้าเด็กอนุบาลตัวเล็กๆใจยังใสบริสุทธิ์เหมือนท่าอาจารย์ตอนนี้จะเห็นเห็นอะไรครับปาโลมาเก้าตัวครับจะต่อบปาโลมาทันทีครับถ้าใครเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมีกิเลสมีราคาโทสะเข้ามาเห็นอะไรผู้ชายก่อนผู้หญิงครับแต่ถ้าบางคนโอ้โหราคะจัดกำหนัดเยอะหมองยังไงก็ไม่เห็นปาโลมาครับบางคนยังนั่งงงอยู่เลยปาโลมาตรงไหน ไม่เห็นปลาโลมาเลยเออเห็นปลาโลมาไหมครับไหนใครจะไม่เห็นปลาโลมาๆๆพวกนี้จิตใจหยาบร้านมากเลยดูสิมองผิวเผินเพียงผ่านย่อมไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนเบรนในการบรรยายธรรมะของพระอาจารย์สมปองนะครับอย่างใช้มิวสิกมิเรโอในการประกอบการสอนด้วยและนอกจากนั้นบางทีก็มีหนังด้วยครับอาจารย์ ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเขาเพราะว่าเด็กเขาต้องดูหนังดูละครดูมิวสิกวิดีโออยู่แล้วเราเออกมาพูดถึงมันจะ่องธรรมะอย่างนี้นก็ทำให้เขารับได้ง่ายขึ้นก็สื่อถึงกันเลยเจริญพรหรือแม้แต่บางทีหนังโฆษณาเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยหยิบยกขึ้นมาหนังโฆษณาที่เราเห็นในทีวีทุกววันนี่นะครับบางคนก็นมองไปเฉยๆดูแล้วก็ผ่านไปสนุกบ้างไปสนุกบ้างแต่พระอาจารย์เอามาหยิบยกประกอบกับธรรมะหลายคนจะคิดว่าโฆษณาเนี่ยมาครอบงาชีวิต<ด>เราเ ร, เราต้องเปลี่ยนใหม่ เอาสิ่งที่จะครอบงามากลายเป็นดา่าเป็นกระบี่ฟาดฟันกิเลศ ข, ของเราก็าเลยเอาโฆษณาเราไม่นั่งดูแบบผ่านๆไปถ้าดูอยู่ที่บ้านทุกคนดูแบบผ่านๆไป ร, รีบจะเปิดหนีด้วยซ้ำจะได้มาว่าโอ้โ oh, ห oh, เสียดายไม่เจ้าได้ให้ใช้ทรัพยากรใหมันประโยชน์ฉะนั้นเราเอาโฆษณาเนี่ยมาสอนคนนั่งดูที่บ้านกับฟังตำราบรรยายจะคนละฟิลคนละอารมณ์กันเลยฮะ อ, อย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างครับสมมติอาจารย์จะถูกคนยกมือขึ้นทั้งสองข้างครับอ มาก็จะตอบว่าเอา้าทำตัวอย่างนี้แม่ไม่ว่าเล ย, นนยเด็กๆคุณตกใจแล้วหัวเลาะเฮฮากันโซ<อ>น อ, อกสนใจธรรมะมาโดยปริยายแหมตกหลุมพระไปแล้วให้เรายกมือแล้วก็มาว่าเราครับพอสนใจแล้วก็ใส่ธรรมะเข้าไปเลยทีนี้ วัยรุ่นนี้่จะอยากตกหลุมแฟนตกหลุมรักเรามาตกหลุมหลุมพระกันดูบ้างตกหลุมธรรมะกันดูบ้างออจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนในการใช้สื่อใกล้ๆตัวในการมาใช้ในการสอนธรรมะตอนนี้เราไปดูธรรมะใกล้ตัวกันดี ก, กว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับเอาละเรามาสู่ครอบครัวแรกของเราวันนี้ธรรมะกับครอบครัวครับครอบครัวแรกเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งเป็นครอบครัวที่สําคัญมากไหนใครเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้างตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงตอนนี้เลยยกมือขึ้น ใครเคยทะเลาะกับเพื่อนครับโหนี่ทะเลาะกันทั้งโรงเรียนเลยเนี่ยโหไม่คิดจะรักกันเลยใช่ไหมเนี่ยใครให้อภัยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วทะเลาะกันแล้วให้อภัยแล้วนะยกมือขึ้นโอหจิตใจดีใครมันใส่ยังไม่ให้อภัยหรอกโกรธโกรธโกรธยังไม่ให้อภัยเพื่อนยกมือขึ้นโอ้โหจิตใจยหยาบกร้านใจยหยาบกร้านมากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนก่อนเลยครับอ่ะมาย้อนกันดูชีวิตเราอันน่ารักน่ารัก อาหากของเรากำลังสบาจยจบเลยบ้านปี2อข้อ46ภาพยนตร์เรื่องแรกของพระอาจารย์ในนามแกลมมี่นะครับเมื่อหลายปีมาแล้วหน้าตาตอนนั้นยังไม่เหลี่ยมเท่าไหร่ห น, หน้ารักครับรรเริ่มโตเกินงับ48 อยากปะผมเข้ามาหาลัยเลยไไลเพื่อนสนิทครับมีเพื่อนสนิทได้ยังข อ, อบคุณสำหรับเสียงคือฮาที่มีให้พระจารย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้พระจารย์ชินแล้วครับมันแบบว่านาะฮะแบบว่าชินแล้วครับผ ม, น, ม, ตตมนี่นี่พระจารย์ชอบตอนเนี้ยชอบชอบ ชอบมากเลยตรงเนี้ยจองอื่นไม่ชอบเลย น, น, ลน่ารักเนาะเพื่อนกันเนาะชอบมากโดนใจมากเป็นเพื่อนกันโดนมือก็พอแล้วอย่าให้มากไปถ้ต า, าต้องเรือกระวังผู้หญิงแต้นดีๆ กับเต้นแบบติงต้องไม่ต้องถามเลยว่าจะเลือกใครผมจะเลือกอะไรครับรอ้องเพลงร้องเพลงอะไ ร, ล, ไรลูอก อ, ออสิส เ, เชนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใครเรียนจบแล้วอยากให้เพื่อนจำเราแบบไม่ลืมไหมครับ <fucking S 1> ให้ยืมตังค์เพื่อนครับเขาจะคิดถึงเรามากเลยครับเอออย่าเป็นอยเป็นอะไรนะใช้ใช้นี้กูกอนเขาจะถามหาเราเขาจะใช้สูตรนี้มาแล้วครับเพื่อนมีไว้ทำไมครับสำหรับคุณเพื่อนมีไว้ เพื่อนมีไว้กินครับนอนเพื่อนมีไว้นอนอเชื่อมกันอันนี้ดีครับ เ, เพื่อนมีไว้เรียน่เป็นเพื่อนเรียนครับจบด้วยกันแล้วเห็นไหมไม่ธรรมดา ม, ามีเที่ยวบ้างเล็กน้อยทัวรทัวร์ริฟท์ซึมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว้าวผ่านตกเยี่ยวเลยใจร้ายจาัง เพื่คนนี่ไม่เต้นนะครับโอ้้าเต้นทาเต้นปัญญาอ่อนมากเลยออันนี้ไม่ดีครับอย่าไปเรียนแบบนะครับเพื่อนี่ไม่เมงผู้ชายกินไม่เเป็นครับสมัยนี้มาดูผู้หญิงบ้างครับอ้โออกแนวคุ้มมางเออ แอบรักนะครับแอบรักผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยนะครับสาบานได้ไไกก อ, อันนี้ดีครับเพื่อนมีไว้ทาบุญต้องมีไหมเอาอายอครับาอินต่อวัวพักก็แล้วไปบางคนเห็นคนหน้าตาดีมีฐานะแต่งกายภูมิฐานาคนไม่ได้มีผมเขาเพื่อเตือนทุกคนฟังเห็นคนแต่งตัวดี แต่กายภูมิฐานภูมิฐานมากเป็นนครื่องก็ไม่ตั้งบอกแค่เรียนให้จบก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหแอ t ติ g เกินเหลือเกินตัวนี้น้ำมันแพงครับช่วยกันประหยัดน้ำมันอ่าเพื่อนกันนะรักกันแบบเพื่อนนะลูกอย่าวันไวครับนางเอกเขาชื่อดาราดาครับ มาดคนนี้ว่าชื่ออะไรเขชื่อดาดาดาครับทางเดียวเลยเสียใจครับเพื่อนจากไปเสียใจมากคิดไม่ดีกับเพื่อนครับน่าโดนซะโดนซะคิดไม่ดีกับเพื่อนก็เป็นอย่างนี้เลยอย่าป็นดอย่างนี้กับเพื่อนนะครับใครคิดว่ากลิ่นปากไม่เรื่องตลก อ้าวเลยเป็นคิดม่ดีกับเพื่อนก็เลยเป็นเพี้ยนสยนิทเลยเพื่อนสนิท น, นะครับฉันรักแกวแบบเพื่อนนะครับต่อไปนี้ครับเราจะมาดูความรักอีกแบบหนึ่งนะครับรถคู่ทุกคู่ยากของแม่ผมครับดูกวาเป็นพ่อเป็นแม่เราครับทําเพื่อเราทุกอย่างเลยของตัวเองเอาไว้บอกให้เปลี่ยนทีไร ก็บอกว่าเดียวก่อนทุกทีและกับสถาบันที่เล็กที่สุดของสังผมแต่ใหญ่ที่สุดในความรู้สึกแต่ถ้าเป็นเรื่องของผมแม่จะยอมกอเกาแล้วนะ<อ>แม่รถ อ, อยา่าลูกอยากได้เกมกดเอาไปเลยลูกแม่จกให้เอาไปลูกลองเท้าสตาร์ทซ้อม่หลูกเ่อนไปยิง ส, งสิงคโปร์ปีหน้านะลูกนะ ลูกเอ้อยเอาไปยิงิกะโปโบลุกองานเป็นนักรุตรีเอาไปเลยลูกกีตาร์เก่านล้วแม่รถลูกจะไม่เกา่าร้อนรถแล้วแม่มไม่เก่าแม่อมเอาไปเลยโทรศัพท์รุ่นใหม่ครับเรียนชมแม่เลยไอ้เด็ก ล, ลูกครับเป็นพ่อเป็นแม่เด็กอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม อะรตั้งใจทํางานเดือนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เลยเงินเดือนเรายกมือขึ้นโ อ, โ, โอ้โหเยอะมากพ่อแม่ลงทุนสุดเปล่ามากเลย <laughs> เดือนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เลยยกมือขึ้นสูงสูบอล้วเดือนต่อไปก็ไม่ให้แล้วมีหนาซ้ำเดือนแรกเปิดงบไปไม่มีเงินครับมีแผ่นเล็กๆเขียนไว้กระดาษยืงก่อนะครับแม่หนูชอ็อตเดี๋จะมีหน้ามาช็อตอีกพ่อแม่เราฟอมเยอะลูกต <ผม S 1> าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเท่าลูกคนนั้นคนนี้ วเวลาที่จะบอกลูกครับผมรักเขามากที่สุดในโลกครอบครัวเราครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราลูกขึ้นมาลูกเดยอะที่เยอะเราลูกชายนะคุณแม่ก็มีความีวัฒนธรรมคนระับคุณแม่อยู่ในกรอบจะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ออยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ตึงนะตึงนะ อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดอยากฟังพวกเราพูดจะตายครับคุณพ่อคุณแม่ปากไล่ครับแต่ใจไม่อยากให้ไปไหนอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาแม้กระทั่งอยากขอโทษแม้กระทั่งอยากขอโทษเราครับเวลาที่มีเรื่องกันมีอะไรงองแงงกัน แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ครับเขาจะมีฟอร์มพ่อแม่เฮ้ยเราเป็นพ่อเป็นแม่ครับนะจะไปขอทอดลูกได้ยังไงต้องมาขอโทดเราสิก็อยากที่ผมต้องผมอยากมีเวลามากากว่ามเวลาที่จะได้ ท, ทําในสิ่งที่ผมยังไม่ไ